ย้ำไปแล้วนะถึงความสำคัญนะของตัวเราเองว่าจิตใจนี่เป็นมิธิประเสริฐที่สุดของเราความประเสริฐของใจนี่นะพระ เ, รเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ว่าสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำให้กับเราเนี่ยก็ไม่อาจเทียบได้เท่ากับจิตที่ฝึกไว ดีแล้วหรือว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องในทางตรงข้ามเนี่ยจนผู้ร้ายหรือว่าศัตรูทํำร้ายเราแค่ไหนมันก็ไม่ร้ายเท่ากับจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดหรือว่าฝึกฝนไว้ไม่ถูกต้องอาการถ้าเราต้องการให้จิตนี้เป็นวิธีประเสริฐที่สุด ข, ของเราก็ต้องฝึก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 มันช่วยตรงนี้นะทำให้เราเนี่ยสามารถจะช่วยผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็พบกับ ค, ความสุขความสงบในใจของตัวไม่ต้องร้อนเผาหรือว่าส่งเสียงกระหึ่มเหมือนอเครื่องปะประกาศจริงอยู่เราอา จ, จะมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นพักกาย ในการพักใจก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราฝึกจิตสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขความสงบแล้วก็มีกำลังที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเราคงเคยพบนะญาติคนไข้นะที่เขาดูแลคนไข้ยอย่างทุ่มเทมาก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 ก็เลยกลายเป็นนามาพช่วยภรรยาไม่ได้แล้วในทางตรงข้ามภรรยานี่ต้องกลับมาดูแลสามีต้องดูแลตัวเองด้วยซึ่งก็หนักหนายอยู่แล้วนม่ต้องดูแลสามีกลายเป็นภาระของภรรยาไปแทนที่จะช่วยเขากลับเป็นภาระของเขาอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเอง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 เราก็สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ทำประโยชน์ให้กับได้ยิ่งเราทํางานแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประโยชน์ตนให้มากประโยชน์ตนในที่นี้ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติอันนั้นมันส่วนประกอบแต่เรื่องของจิตใจนะที่สงบเย็นมั่นคงอันนี้สําคัญมาก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 ซื้อหาปัจจัย4แล้วก็ความสะดวกสบายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางกายไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะแต่ว่าเรื่องของใจเรามีเวลาให้น้อยเรามีเวลาสำหรับการชำระ ก, กายให้สะอาดนะ ผิวพันธผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ว่าชาระใจให้สะอาดผ่องแผ้วนี่เราก็มีเวลาน้อยเรามีเวลาสละ ก, การเติมอาหารให้ร่างกายหาของดีๆให้กับร่างกายอาหารที่อร่อ ย, ออยแต่ว่าอาหารใจเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เลยมีการล้างพิกกันมากขึ้น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 ก็ต้องมีเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้ด้วยเรามีเวลาพักกายนะกันคนละหลายชั่วโมงต่อวันนะแต่พักใจนี่มีเวลาถึง10นาที20นาทีหรือเปล่าท่นะนี้ใจก็ไม่ได้ต้องการการไม่ต้องการเวลาที่พักผ่อนมากมายเหมือนร่างกายแต่ว่า แม้กระันั้นก็เราก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาหรือใส่ใจเท่าไหร่ตังการเจริญภาวนาเ น, นี่ยมันทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจมากขึ้นเรียกว่าเกิดความยุติธรรมเกิดความเป็นธรรมกับกายกับใจในส่วนของใจเนี่ยนะมันก็ต้องมีความสมดุลอีกอีกคู่หนึ่งนะก็คือว่าใจของเราเนี่ยมัน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 มันไม่ยอมไม่ยอมหยุดทีแรกนี่เราเป็นผู้คิดแต่คิดแต่คิดไปมันกลายเป็นนายเราไปซะละมันจะคิดสักอย่างเราห้ามมันไม่ได้บางคนคิดจนเครียดบางคนก็คิดจนปวดหัวบางคนคิดจนกระทั่งไม่รู้จะทํำยังไงมันหยุดคิดไม่ได้ แล้วมันคิดแต่เรื่องร้ายๆคิดแต่เรื่องอทำร้ายจิตใจตัวเองไม่รู้ทำไงกินยาก็ไม่ไม่หยุดแถมปรุงแต่งภาพล้อต่างๆสุดท้ายก็เลยต้องหาทางออก้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าคิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดความคิดได้คิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดจากหรือหลุดจากนรกจิตจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาได้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 เราก็เลยคิดกันใหญ่สุดละสุดท้ายเราก็หยุดคิดกันไม่ได้หยุดคิดไม่เป็นมันก็เหมือนกับคนที่เรียนผูกันะแต่ว่าไม่ได้เรียนวิธีแก้ด้วยผูกปมเก่งแต่แก้ปมไม่ได้ปมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปมในจิตใจกลาเป็นปมในชีวิตเหมือนกับคนที่ปีนต้นไม้เก่งแต่ลงไม่ได้ลงไม่เป็น เหมือนกับรถที่เร็วมีกำลังเร็วมีกำลังแรงแต่ไม่มีเบรกรถชนิดนี้ราคาเป็นล้านหรือสิบล้านคนก็ไม่การนั่งนี่หมดหลวงพ่อคูณมานั่งถ้าก็ไม่เอานะอันนี้เสี่ยงหว่าเปล่าถ้าชิงลองบองทีก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะเห็นนี้นะคือเราเหมือนกับรถที่เร็ ว, ท, รวที่แรงแต่เราไม่มีเบรก จะเปลี่ยนเหมือนกับเครื่องบินที่าสามารถจะทยายขึ้นฟ้าได้แต่ว่าไม่สามารถจะล่อนลงพื้นดินได้อาจเป็นเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะล่อนลงหรือเพราะว่าคนขับขับแต่รู้แต่วิธีการพาเครื่องขึ้นฟ้านแต่เอาลงไม่ได้มันมีนะ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 มีกําลังกลับมาคิดใหม่ก็อาจจะคิดได้ดีไม่คิดว่าวนไม่คิดแบบเลี่ยราดเหมือนกับก่อนที่จะฝึกมาทุกวันนี้นี่เราคิดเลี่ยราดมากนะคือมันคิดไม่เป็นที่เป็นทางแต่ถ้าเรามาฝึกจิตนะและฝึกถูกฝึกถูกทางเนี่ยมันจะคิดเป็นที่เป็นทางไม่เลี่ยราดเพราะมีสติเป็นตัวกํากับ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 สร้างสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ด้วยผลทุวันนี้นี่ฉลาดในการใช้เหตุผลนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยนะพุ่งพล่านนะจนกระทั่งไม่สามารถจะควบคุมได้อาการอย่างเนื้อคือว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าไม่สามารถจะ บังคับจิตได้ไม่สามารถจะห้ามใจได้เช่นพวกเราที่ทํางานโรงพยาบาลก็รู้นะว่า <c oughs> ก็พยายามให้การอบรมให้การรณรงค์นะเรื่องบุหรี่นะเรื่องเหล้าเรื่องอาหารที่มีไขมันคนไข้ก็รูนะ้ประชาชนก็รู้ว่าสูขบุญไม่ดีกินเหล้าไม่ดี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 หรือว่าการละเล่นได้ผู้ชายหลายคนก็รู้นะว่าไอาการไปมีกิก๊กมีชูนี่ไม่ดีทําให้บ้านแตกแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ น, นี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้นะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เด็กๆ ก, ก็รู้ว่าการทิ้งขยะอ่าเรี่ยล่ น, นี่ไม่ดีแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้ทิ้งเปลอะไปหมด อันนี้ก็เรียกว่ามันมีความมันมีช่องว่างระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างข้อมูลความรู้นะกับความรู้สึกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการไม่ได้ไม่มีการฝึกจิตให้มีกำลังที่จะสามารถนะบังคับจิตให้คล้อยตามเหตุผลได้หรือว่าให้มันมีความสม้คีร่าระหว่างเหตุผลกับอารมณ์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 สำนักไหนครูบาอาจารย์คนไหนเก่งก็ไปเรีย น, นพระอาจารย์จีนเนี่ยท่านเป็นคนที่สอนเก่งมากนะความรู้น่าเปรียบเทียบเยอะแต่มีปัญหาคือว่าเป็นคนอารมณ์ร้ายเวลาลูกศิษย์ตอบช้าหรือตอบผิดตอบไม่ทันใจอาจารย์จีนนี่ก็ไปตอบเลยบางทีเขาไปขย้ำคอก็รั่วไม่ดีนะอาจารย์จีนก็รั่วไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้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 เพรารู้ว่าถ้าโกดแล้วเนี่ยมันจะอยากจะเข้าไปขยําเข้าไปตกทับเรียนอันนี้ก็เป็นกันก็นกดีช่วยรู้หมดนะอดใจไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ดีสอนธรรมะมาได้ทั้งรู้โกรดไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกใจให้การฝึกใจนี่มันช่วยทําให้อารมณ์เนี่ยสามารถจ ะ, ะเป็นกุศลแล้วก็คล้อยตามเหตุผลได้ แต่ถ้าใจไม่ได้ฝึกอารมณ์มันก็สามารถจะเอาสามารถจะปรุงแต่งเหตุผลหรือใช้เหตุผลไปในเรื่องของตอบสนองอารมณ์ได้นะบางคนที่เหตุผลดีนะแต่ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่เกิดจากการชักชักจูงชักใหญ่ของอารมณ์เพื่อมาผลเปรอรความต้องการของตัวเองมีนายตำรวจท่านหนึ่งน ะ, กะเกษียณแล้ว นะพูดถึงแม่ของตนนะแม่ก็อายุประมาณเก้าสิบแล้วลูกนี่ก็พยายามคุมอาหารของแม่นะแต่ว่าแม่เนี่ยก็ก็ไม่ชอบนะวันนึงก็พูดกับลูกว่าลูกนะพะโลนี่แม่ก็ชอบนะมันเชื่อมนี่แม่ก็ชอบ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 แม่ก็จะได้ไปสงบพอชวนแม่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแม่ก็บอกเอาไว้วันหลังก็ได้นะลูกแม่ยังอยู่ได้อีกนานนะที่จะกินของอย่างน้นอย่างนี้จะบอกว่าแม่จะจะอยู่ได้ไม่นานกําลังจะตายแล้วแต่พอจะชวนเข้าว่านี้หาเหตุผลตรงข้ามเลยนะว่าแม่จะอยู่ได้อีกนานาไว้วันหลังก็แล้วกันเอาเหตุผลมาใช้นะ เพื่อตอบสนองอารมณ์คืออารมณ์มันไม่อยากไปปฏิบัติธรรมนั้นก็หาเหตุผลมาสารพัดเวลาอยากจะกินนอนกินนี่ก็หาเหตุผลตรงข้ามเหตุผลมันถูกใช้เพื่อมาสนองอารมณ์อันนี้ก็เป็นเพราะว่านั้นไม่ได้ฝึกจิตเหตุผลมันก็เลยถูกใช้เพื่อสนองความต้องการที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นโทษกับตัวเองได้ซ้ำ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 สนุกสนาดแต่พอเราได้ฝึกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็คล้อยตามง่ายๆแต่บางครั้งเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลที่ผิดนะก็มี อ, อารมณ์เนี่ยคอยช่วยน้อมคอยช่วยกล่อมกลาวเหตุผลให้มั น, ปนไปในทางที่ถูก <c oughs> เช่นบางคนเนี่ยเขา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 เขาจะเคยทําอะไรกับเรามาหรือเปล่าความเมตตาทําให้เกิดความเห็นใจและแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ร้ายคนที่ทําตัวไม่น่ารักก็ยังอยากจะช่วยเขานะทั้งที่เหตุผลนี่มันสามารถจะสรรหามาได้สารพัดว่าคนอย่างนี้ไม่น่าช่วยแต่ว่าเมตตากรุณามันทำํำให้เหตุผลมันสามารถจะหักล้างเหตุผลแบบนี้ได้ก็ลงเข้าไปช่วยเขา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 อาศัยประโยชน์จากจิตใจเนี่ยมาช่วยหล่อเลี้ยงการทำงานกัรดำนชี่ออิงเราได้เมื่อใจเรามีความสุขนะเราก็สามารถจะทำงานได้อย่างมีความสุขด้วยถ้าใจเรางองแง่เลวรัล น, นะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานก็ไม่มีความสุขเที่ยวก็ไม่มีความสุขฟังเพลงกินอาหารอร่อยก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าใจมันไม่เป็นใจมันไม่เอาด้วย ลองกลับมาดูนะพิจารณาดูนะว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างสมดุลให้กับช่วยของเราให้มากขึ้นอันนี้แหละมันจะทำให้เรามีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเอาล่ะช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบระ